ปล่อยวางอย่างรับผิดชอบปล่อยวางในร่างกายนี้ว่าไม่ <C le af> ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็รับผิดชอบในร่างกายนี้ดูแลกนะารกินอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อร่างกายนี้ตราบเท่าที่เขายังยังทำอะไรได้นะปล่อยวางไม่ได้ปล่อยไม่ไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยนะปล่อยวางนี่เป็นเรื่องทางใจคือไม่ยึดมั่นถือมั่นนะแต่ว่ารับผิดชอบก็ยังทาอยู่นะ